การปฏิบัติธรรมคือการทำใจของเราให้สงบและทำใจให้รู้แจ้งทุกสภาวะทุกเรื่องทุกอย่างจิตใจของเรามีความรู้มีความเข้าใจในสภาวะธรรมทั้งปวง นี่แหละเข้าใจตัวตนเข้าใจชีวิตเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างมองทะลุ ป, ปูโปงมองเห็นชัดเจนในใจของเราเช่นการเราพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันก็อมองเห็นความจริงของกายนี้ชัดเจนว่า มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นมีแก่ในธรรมกลางมีดับสลายไปในที่สุดเราก็รู้ชัดไม่ใช่คิดเอานะรู้คือว่ารู้แจ้งรู้จริง ร, ร, รู้แนศในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่ว่าความเกิดเป็นทุกข์เราก็ต้องพิจารณาดูว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างไร แต่แล้วคนก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ทรมานแสนสาหัสละ่ะความเกิดของเราเนะี่ยเป็นทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ตอนนั้นนะแต่พระพุทธเจ้ามันเป็นทุกข์มันก็จริงของท่านถ้าไม่ทุกข์มันก็ออกมาไม่ได้หรอกมันต้องทุกข์ต้องทรมาน นั่งอยู่ในท้องหลายเดือนก็ทรมานอยู่แล้วออกมาก็ทรมานอีกถูกอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทรมานอีกเหมือนเอาผ้าหอ่อเนื้อนี่ยหนังวงบางเกิดมา ใ, ใหม่ๆนะนั่นแหละความเกิดเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ออกมา มากระทบอารมณ์ต่างๆรูกระทบเลือกต่างๆความร้อนความหนาวความหิวความกระหายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละความแก่ก็เหมือนกันก็แก่ไปเรื่อยๆแต่ก่อนเขาก็เรียกว่าพี่ตอนนี้เขาเรียกว่าป้าว่าลุงนั่น แสดงว่าเราแก่แล้วหรือคุณตาคุณยายไปแล้วแก่ไปตามลาดับแก่ไปเรื่อยเราก็เห็นชัดในตัวเราเราเห็นความแก่เห็นความทุกข์ทรมานในการเป็นคนแก่เราเห็นชัดอันนี้เราเห็นชัดเห็นด้วยตัวของเราเอง ออืกายก็แก่ชราโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่นีนนน่แหละความตายก็เหมือนกันความตายก็เป็นทุกข์อีกอืทุกข์ต้องต้องพัดพาจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงทุกข์ที่จะต้อง เกิดในภพภูมิต่างๆไม่รู้เราจะไปภูมิดีหรือภูมิไม่ดีความทุกข์ทรมานกวนธิกิจจะแตกแกระดับนี่มันทรมานแสนสาหัสละดิ้นรนทุหลายใจขาดปั๊บก็ตายเลยก่อชีเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละ การปฏิบัติธรรมก็คือน้อมเข้ามาในตัวเรามาเห็นตัวของเราว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของกฏนั้นไม่ยืนยาวไม่ยืนนานดูน้ำบนใบบัวก็แล้วกันน้ำบนใบบัวนี่พอต้องแสงพระอาทิตย์นี่เ อ, อือแห้งหายไป มันน้ำบนยอดหญ้าเนี่ยใสพิงพอต้องแสงพระอาทิต์ก็เหิดแหงหายไปเรียบด้วยกับชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องทรงโยส่วนระยะการนันหนึ่งไม่นานเลยร้อยปีเป็นของไม่นานสำหรับเรา ก็เหงืออแห้งหายไปคือตายไปแต่โดยส่วนมากก็ไม่ถึงไม่ถึงร้อยปีทุกคนเจ็ดสิบแปดสิปีเก้าสิปีที่ก็เริ่มละเริ่มมีอาการละให้พยายามปฏิบัติให้ท ร, รมาเกิดขึ้นในใจซะก่อน ให้มีที่หวังให้มีที่พึ่งให้มีมากให้มีผลถ้ามีมากมีผลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเบาใจได้สบายใจได้แต่ถ้าไม่มีมากมีผลในใจนี่มันยังเอาแน่ไม่ได้ชีวิตมันจะต้องไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมันจะต้องไหลไปเกิด เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นสารพัดที่จะเกิดสิร้อยกับแสนกันก็ไม่ได้พ้นจากทุกเกิดแล้วก็ทรมานอยู่ในภพภูมิต่างๆเกิดเป็นคนก็มีสุขมีทุกข์อย่างที่คนเป็นคนมีนี่แหละเกิด เ, เป็นเทพ็นเทวดาก็สบายใจ เลื่เพลินมีความสุขถ้าเกิดสินฉันดีรสารก็ลําบากอีกก็จะเบื่อข้อเป็นสัตย์ดีรษานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กรรมก็จะสิ้นก็มไม่รู้เมื่อไหร่จะสิ้นกรรมที่เป็นสัตย์ดีรษานทุกภระมาณเขาให้ทํานาทั้งปี สามเดือนสี่เดือนในไทยนาตลอดเวลาเข้าไปเลี้ยงกินข้าวต้นเดียวท่้นแหละมาสมยาอยู่นั้นกินปั๊บเนี่ยเขาตีเอาแทบตายเขาไมไ่เคยคิดว่าเราทรมานทำไร่ทำนาช่วยเขานั่นเป็นสัติรัามีเขามาอรสระ จะกินจะอยากก็ต้องระวังอืไปถูกข้าวต้นเดียวเขาตีเอาแทบตายอืกินข้าวต้นเดียวเท่านั้นแหละเขาตีเอาเป็นสารเสียสานี่ลําบากยงลิ้นเหลือบจงทั้งแดดทั้งฝนทั้งหนาวเขาทรมานอย่งนั้นอ่ะไม่มีผ้าหม่มไม่มีเสื้อไม่มีผ้าไม่มีอะไรเลย อย่างดีที่สุดเขาสุงมควันไล่มแมลงให้ก็เท่านั้นเองทุกทรมานในความเป็นสัตว์เดือาสารนี่เราลองไปฆ่ามันสิมันดิ้นเลยละทั้งร้องทั้งดิ้นทั้งอะไรสารพัด ท, ทรมานเนี่ยมันก็ไม่อยากตายจากความเป็นสัตว์เดือาสารก็อยากอยู่เป็นสัตว์เดือาสารเรื่อยๆไป เกิดมันก็ไม่อยากเกิดเป็นคนหรอกมันจะเกิดเป็นสเดสารนั่นแหละจนกว่าจะสิ้นกรรมสิ้นบาปจึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์กิจโส ม, มนุสบาติลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐเป็นลาบทว่าทำไมจะไม่เป็นลาบเพราะเกิดเป็นมนุษย์สามารถทําบุญไปสวรค์ก็ได้นไง ทำบุญให้ไปถึงพโมโลกก็ได้นี่ปฏิบัติมากคนนิพพานเกิดขึ้นก็ทำได้ไม่เพียอาภาัพภะบุคคลเราก็ไปสู่สุขติภูมิได้ไปสู่สวรรค์ไปสู่พโมโลกไปเข้าถึงนิพพานได้เป็นคนเป็นลาบประเสริฐที่จะสร้างความดีความงามทั้งหลายมากน้อยเท่าไหร่ก็ทำได้ จะทําทเอามากมากก็ได้จะทําทเอาขนาดไหนก็ได้จะสร้างบุญสร้างกุศลแบบไหนเราก็ทําได้หมดไม่มีขีดจํากัดเนีย่ยเป็นมนุษย์มันเป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญเป็นกุศลได้เกิดมนุษย์เราก็ทําความดีได้ปฏิบัติ ท, ทําได้ให้หนีทุกข์ได้ให้หนีจาก ความเมียนวหวยตายเกิดในวัฏสงสารได้เพราะการเมียนว่ายตายเกิดในวัฏ ส, ส, สงสารเป็นของไม่แน่นอนเกิดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่บุญและกรรมให้ลองคิดดูให้ดีการที่จะมาเกิดเป็นคนนี่เป็นโชคลาภอันประเสริฐสูงสุดแล้วเพราะเกิดเป็นคนสามารถทำความดีได้อย่างเต็มที่ สามารถทำมรรคทำผลให้เกิดขึ้นในใจได้สามารถปฏิบัติทำให้พ้นทุกข์ได้นี่แหละและในญาเดียวกันก็สามารถทำตัวของเราให้ไปตกต่ำได้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวแล้วก็ไปตกอบัยะภูมิได้ตกต่ำได้มันเป็นอย่างนั้น การทําบุญทำกุศล ส, สั่งสมคุณงามความดีก็สามารถให้เราสูงส่งขึ้นไปไม่ตกต่ําเราสร้างบุญสร้างวัลมีสร้างความดีไว้นั่นแหละทางภัยที่ดีของเราอืเวลาเราจากโลกนี้ไปก็เป็นความสุขที่สุดอืเพราะฉะนั้นในตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําคุณงามความดี พราเราเกิดมาเป็นคนนี้ไม่ใช่อะไรง่ายๆมันยากมากต่านแต่อ่านว่าเต่าน้อยตาบอดตัวหนึ่งอยู่ในทะเลหลวงร้อยปีโผล่หัวขึ้นมาข้างหนึ่งตาบอ ด, ด้วยน้าเต่าหวังจะเอาหัวสุบเข้าหวงเอกน้อยนะรูในเอกน้อยนะ ตาบอดด้วยมันจะได้ไหมร้อยปีโผล่ขึ้นมาข้างหนึ่งหวังหวังที่จะเอาหัวสอดเข้าในเอ็กน้อยพักผ่อนสักหน่อยหนึ่งมันจะได้ไหมร้อยปีโผล่ขึ้นมาร้อยปีโผล่ขึ้นมามันจะกี่ร้อยปีเหรอมันถึงจะได้น่ะแต่มันได้อยู่ละ่ะแต่ว่ามันนานแสนนานไม่รู้เวลาไหนอืทั้งตาบอดด้วยสิมันสําคัญ ตาดีก็ยังพอไม่ท่าอยู่พยังพอจะมองหาว่าโอ้เอียงน้อยตรงนั้นตรงนี้ในทะเลหลวงยังพอจะมองหาเห็นอันนี้มันตาบอดมันจะไปเห็นอะไรโผล่ขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาสิโผล่ขึ้นมาแล้วก็หายไปอ่ะอืมันไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนีว่แหละ ท่านเปรียบเทียบให้เห็นเราความที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นของยากมันยากฝานั้นกาจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งมันยากฝานั้นแหละถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วจะมาลีล อ, อยอยู่จะไม่รีบเร่งสร้างสมคุณงามความดีนะชื่อว่าเป็นผู้ประมาทนะผู้ประมาทในวัยและชีวิต ผู้ประมาทในความไม่มีโลกให้เวียดเนๆพูมประมาทว่าเราจะไม่ตายมัวเมาเพลิดเพลินรุ่มหลงอยู่ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มีขีดจากัดบอกว่าวันนั้นนะคุณจะตายนะแต่รู้อย่างเนื่องก็หาทางหนีได้เหมือนกันเนะี่นี่มันไม่ใช่ วันนี้ไม่ได้ถึงเราจะรู้ว่าวันนี้หละวันที่เราจะตายเราก็ไม่รู้จะหนีไปอาศัยอยู่ที่ไหนเพราะอยู่ที่ไหนมันก็จะต้องตายเพราะมันถึงวันตายอืคนเราก็ตายได้หลายวิธีนี่ยืนตายนั่งตายนอนตายมีปัญหานั้นนี่ตายเก็บใครได้ปวดตายสารพัดอย่างนะ อันให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาว่าเรามีความเกิดความแก่ความเก็บเป็นความตายเป็นของธรรมดามพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเรานี่แหละเห็นว่าเรานี่เกิดแล้วนี่ยแก่เก็บตายพัดผ่ากจากจรพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนชาวนาเขาทำนานี่ปีไหนเขาก็มาทาที่เดิมนั่นแหละ ที่ไหนเขาเคยตกกล้าเขาก็ตกกล้าตรงนั้นว่าอืมพอถึงเวลาดำเขาก็คาดไถดำถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลเขาก็เก็บเกี่ยวอเหมือนชาวนาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลแล้วก็ถือว่าพักผ่อนรอฝนรอฟ้าฝนตกมาใหม่ก็ไปทําอีกทําที่ไหนก็ทําที่เดิมนั่นแหละ อุ่นเย็นไปอย่างนี้ตลอดไม่รู้ว่าวันหยุดคือวันไหนทำนาเขาก็ทำที่เดิมตลอดทำที่เดิมการปฏิบัติของเราเหมือนกันก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละให้จิตสงบพิจารณาแล้วก็พิจารณาอีกเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง เห็นถึงความเปล่นไปของมันเราก็เห็นดูค้นคว้าพยายามคา้คนคว้าดูว่าตรงนี้มันเป็นเนื้อเนื้อหนังตรงนี้มันเป็นเนื้อตรงนี้มันเป็นกระดูกตรงนี้มันเป็นเส้นเอ็นอะไรต่างๆเราก็จะเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะเบื่อหน่ายลายความยินดีให้พิจารณาอย่างนี้ เราจะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแสนกับแสนกันนั่นเราไม่เบื่อหน่ายบ้างหรือเราต้องเบื่อหน่ายถ้าเราพิจารณาเห็นแล้วเราต้องเบื่อหน่ายแต่ถ้าเราพิจารณายังไม่เห็นเราก็ไม่เบื่อหน่าย pir. เราไม่เบื่อหน่ายถ้าพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเราก็เกิดความเบื่อหน่ายกายความินดี เือหนในความเกิดความแก่ความเกิดความตายนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นให้พิณาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดด้วยใจของเราเองว่าตัวเรานี่เป็นฐานที่ตั้งของความทุกข์ล่ะพิณาเข้าไปกายยาคตาสติพิณาเข้าไปที่กาย ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงทนดูไม่ได้เป็นทุกข์เป็นหน้าตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เราจะยึดถือเอาว่านี่ของเรานี่ของเราเรายึดถือเอาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างดีเราก็เพียงแต่รู้และเข้าใจในชีวิตพ็จะเข้าใจได้กรณ์ละพาละหันนั่นแหลม เข้าใจเต็มที่เข้าใจชัดในภาวะร่างกายหรือว่ตัวตนของเรานี่ท่านเขา้าเข้าใจชัดถ้าเป็นพระลรหันแล้วถ้ายัางไม่เป็นพระลรหรันก็เข้าใจบ้างเช่นพระสดาบันกะ็เข้าใจพระสกิทามีก็เข้าใจประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นสกิทาอนณาคามีก็เข้าใจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นพระลรหันเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละ แต่ถ้ายังเป็นพุทธชนอยู่ยังไม่เข้าใจรู้อยู่ตำราแต่ว่ามาใจไม่รู้เพราะนั้นการเรียนว่ายตายเกิดของพุทธชนยังมีอีกนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ท้วนท่านว่าไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายว่าอยู่ตรงไหนตามไปรู้ไม่ได้มันมันนานแสนนานที่เราจะต้องเกิดในวัฏฏานี้ นานแสนนานไม่สามารถลูวเบื้องต้นเบื้องปลายอยู่ตรงไห น, นมันนานมากอย่างพ่อแม่เนี่ก็เอาดินในชพูทวีปมาปั้นเป็นก้อนเท่ามากกระเบาเนี่ออืมากระเบา เ, เอามาปั้นเป็นก้อนก้อนนี้พ่อของเราก้อนนี้ปู่ของเราคือพ่อของพ่อก้อนนี้เป็นทวดก้อนนี้ นับไปเป็นพ่อของพ่อพ่อของพ่อไปเรื่อยโอ้ยแผ่นดินในชมพูทวีปหมดไปแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่จบเลยยังไม่หมดเลยี่ลองคิดดูเนี่ยคนเรียนไร้ใจเกิดมันนานขนาดไหนทันถึกว่ากองกระดูกของคนที่ตายแล้วนี่มันกองเท่ากับภูเขาเนี่ย คนเดียวนะเกิดกับหนึ่งๆของกระดูกเท่าภูเขาไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> มันา น, นานแสนนานกําหนดเจ่อโจงลงไปไม่ได้ว่าเท่านี้แหละคืออายุของเรามีเท่านี้กระดูกของเรามีเท่านี้พระพุทธเจ้าพยายามพยากรณ์ได้ว่าคนเกิดตายนั่นนะกองกระดูกเท่าภูเขา ใบบูบพดบรรพศโผองว่าเกิดกับเดียวนะไม่ใช่ร้อยกับพันกับเกิดกับเดียวเนี่ยกองกระดูกของเราผู้เกิดตายเกิดตายที่มีกระดูกเนี่ยอืเอากระดูกไปรวมกันไว้ได้กองเท่าภูเขาใบบูบดบรรพศเนี่ยภูเขาไใบบูดบันพศก็สูงใหญ่อยู่ ใ, ใกล้ภูเขาคิชสกูดที่ประเทศอินเดียนะ พระพุทธเาเปรียบให้พฟังว่ากับหนึ่งนี้ยาวนานเท่าไหร่นานมากพุทธเจา ว, ว่าเปรียบเทียบไดไหมพระเจ้าค่ะเปรียบเทียบได้ไไดกองกระดูกของคนที่ตายแล้วเอามารวมกันไว้เท่าโควเขาไว้บูชาในครสนี้นี่เรียกว่ากับหนึ่งนี่แหละความยาวนานของ กับของกันของเวลาเวลาท่องเที่ยวเวียรว่า้ตายเกิดในแต่สงสารนี่นานมากนานแสนนานแต่ก็ยังไม่เบื่อนายความเกิดยังอยากเกิดเป็นคนยังอยากเกิดเป็นมนุษย์อีกอยู่ อ, อืนนั้เกิดแล้วอยากเกิดอีกเกิดแล้วก็อยากเกิดอีกอย่างสมมตราตายปา๊ให้เป็นเทวดาเราก็ไม่อยากเป็นอืม เราก็อยากเป็นมนุษย์อยู่ก่อนนี่แหละเพราะเราไม่รู้ว่าเทวดาเป็นยังไงเทวดาก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงยกเว้นว่าเทวดาที่ปฏิบัติธรรมได้มารู้มากคนแล้วก็จะรู้ผู้บาอาจารย์ผู้ปฏิติดีปฏิติชอบท่านรู้ท่านเห็นท่านก็รู้ แต่เราผู้ปฏิบัติยังไม่ถึงก็ค่อยพยายามไปปฏิบัติไปให้เห็นพระนิพพานในใจให้เห็นการให้เบื่อหน่ายความทุกข์ที่เกิดแล้วเกิดอีกเราก็จะเห็นพระนิพพานอยู่ในใจพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขยังไงอ่ะสุขที่สุดสุขเนื้อนิ่งกว่าสุขใดใดทั้งสิ้น สุขที่ใจเนะี่ยเราสังเกต ด, ดูไม่ใจเราสงบเราก็เห็นความสุขแล้วแต่ก็ยังไม่หมดยังไม่ยังเห็นยังไม่แท้จริงเห็นเพียงนิดหน่อยถ้าเราได้บรรลุมรควนเราก็จะเห็นสุขละเอียดขึ้นไปกว่านั้นอีกถ้าอะไบรบรรลุมรคผนสูงขึ้นกว่านั้นเราก็รู้ละเอียดเข้าไปอีก ถ้าบรรลุมากขนสูงกว่านั้นคือเป็นอนาคามีก็เห็นสุขละเอียดขึ้นไปอีกแต่ผู้ที่ท่านไดเนน้เป็นบรรลุเป็นพระหลานก็เห็นความสุขในพนันธิผ่านชาติเจนในใจโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมันสุขอย่างนี้เองมันสบายอย่างนี้เองพอตายแล้วก็เข้าพนันธิผ่านเลยนั่นแหละ เราสามารถทําเอาได้ในมนุษย์นี่เองเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราสามารถทําได้เราสามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติตามอะไรลนะปฏิบัติตามมักเป็ดนั่นแหละเอามักเป็ดไปปฏิบัติเอามักเป็ดไปใช้ในชีวิตครอบครัวเห็นไหมสมาสติตั้งสติไว้ พอเราตั้งสติก็จะเห็นจะบังคับได้ถ้ามีสติมีมากมีกำลังมากสมาธิก็มากขึ้นก็สามารถรู้เห็นจิตของเราว่าตั้งเที่ยงตั้งมัน่นหรือหวั่นไหวเราก็สามารถรู้ได้เราไม่ให้หวั่นไหว ให้ตั้งเที่ยงตั้มันเราก็ทำได้เราก็เห็นสุขเห็นความสงบเห็นความเยือกเย็นเห็นความสบายภายในทำจิตของเราเนี่แหละให้มันสงบทำยังไงมันถึงจะสงบวันแรกเราก็ได้สอนมาแล้วว่าทำใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก เราก็พยายามทําใจของเราให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไปเวลานานสองวันสามวันมาแล้วเราทําใจให้อยู่กับลมหายใจแต่มาวันนี้เราเพิ่มขึ้นไปอีกคือให้ให้พิจารณาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของขันอันนี้ของธาตุอันนี้ของตัวตัวนันนี้ มันเป็นของไม่เที่ยงเราก็เห็นชัดลงไปถ้าเราเห็นชัดเราก็วางความยึดความถือได้วางตัววางตนวางสำคัญสาคัญมั่นหมายในตัวตนได้หมดเราก็จะมีความสุขละเอียดขึ้นไปนี่แหละให้ตังใจปฏิบัติปฏิบัติไปเรื่อย ไม่ใช่ทำอยู่เฉพาะที่วัดหรือที่สำนักปฏิบัติธรรมกลับไปบ้านแล้วก็ต้องทำอีกไม่ว่ายืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่เราก็ให้มีสติเฝ้ารู้เห็นลมหายใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเราอยู่ที่บ้านก็ตามถ้าไม่มีธุรกิจที่ทำรีบร้อนเราก็สามารถกำหนดรู้ลมได้ เรากำหนดรู้กำหนดรูลมนะให้เห็นลมชัดเจนขึ้นมาใจเราก็จะสงบมีพลังขึ้นมาพลังก็ไม่ใช่คนอื่นทําให้หรอกเราแหละทําเองเราค่อยกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ให้เราล้มรูล้ลม รู้แล้วกับพิจารณาถ้ามันสงบดีแล้วกับพิจารณาพิจารณาอย่างไรก็พิจารณาอย่างที่อธิบายมาให้ฟังนี่แหละพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆออกไปเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเห็นความไม่กิลังยั่งยืนเห็นความทุกข์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัาจะสงสาร เห็นความทุกข์ที่ก่อจะได้มาเป็นคนก็เห็นเห็นทุกข์คือเห็นธรรมถ้าเห็นทุกข์ในตัวเราเห็นทุกข์ในวัตตาสงสารนันนี้เราก็เห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นใจของเราเห็นความที่เราต้องหมุนเดียนไปตามวัตตานี่ก็เป็นธรรม ของหน้าเบื่อน่ายบอกหายความยินดีคือไม่ยินดีที่จะเกิดเป็นคนอีกหาทางพ้นทุกเกิดเป็นคนนี่เราก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี่แหละเกิดเป็นทเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสต ร, รีลักษานเปรตสุรกายสัตว์นรกขมุนเวียนไปมาอยู่นี่แหละไปสวรรค์มามนุษย์อยู่นี่แหละ มันไม่แน่นอนคนเราไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วได้ทำบุญทุกคนหรือว่าบุญตลอดในบางพบางชาตินีเราเกิดมาเราไม่มีพุทธศาสนาเราเกิดมาก็าเหมือนคนหูโหนกตาบอดฮะไม่รู้บาปพุนคุณโทษอะไรไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่วไม่รู้อะไรหยาบไม่รู้อะไรละเอียดเพราะว่า ปฏิบัติก็ทำไปตามเรื่องตามราวตามคิดได้เข้าใจได้ก็ทำไปเหมือนอคีตัดเนี่ยเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ลาออกจากราชการชวนคนไปปฏิบัติถึงต้นไม้ถึงภูเขาว่าเป็นสารณะนี่นั่น ไม่รู้จักสารณะที่แท้จริงสารณะคือพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักสารณะคือพระธรรมก็ไม่รู้จักสารณะคือสงฆ์พระพุทสูตสงฆ์ก็ไม่รู้จักไม่รู้จักสารณะในใจไม่เห็นสารณะไม่เห็นแก้ไม่เห็นทางพ้นทุกข์คิดอะไรดีก็ทำไปพระพุทธเจ้าไปโปรดเอา จึงได้เห็นทางที่ถูกได้สําเร็จเป็นพันล้านหมดทั้งนั้นคนเป็นหมื่นออกไปปฏิบัติ ด, ด้วยไม่รู้ว่าอะไรเป็นสารณะพระพุทธเจ้าพระธรรมโสดุนี่แหละเป็นสารณะเป็นสารณะของเราเราจะถ้าภาวนาไม่เปลี่ยนก็เพอาเรา ต่ำหนีพระพุทธเจ้าต่ำหนี้พระธรรมต่ำหนีพระสงฆ์ภาวนาไม่ขึ้นเพื่อนายนินทาก็เป็นโทษเหมือนกันนินทาพระพุทธเจ้านินทาพระธรรมนินทาพระสงฆ์นินทาเพื่อนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกันก็เป็นโทษภาวนาไม่ขึ้นไม่สามารถดูมรรคดูผลรูล้พระนิพพานด้วยใจในปัจจุบัน ต้องขอขมาโทษซะ ก, ก่อนเพราะนั่นก่อนปฏิบัติจึงให้มีการขอโทษพระรัตนัสใจแล้วเราก็สำรวมระวังไว้สำรวมระวังไว้ไม่ประมาทอีกที่ประมาทมาแล้วก็แล้วกันไปขอขมาโทษแล้วก็แล้วกันไปต่อไปจะไม่ปฏิไม่ประมาทอีก เมื่อไม่ประมาทอีกิจของเราก็แน่วแน่ลงเป็นสมาธิคนที่ชอบนินทาพระเจ้าพระสงฆ์นั่นนี่ภาวนาไม่ขึ้นหรอกภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ได้ไปไม่ได้ต้องขอเข้ามาโทษแล้วงดไม่พูดไม่ทําไม่แสดงอย่างนั้นอย่างนั้นไม่นินทาขวาจาย์ไม่นินทา พระเจ้าพระสงค์ให้ลินสาพเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันไม่ทำานี้ติดเดียนก็จะภาวนาขึ้นภาวนาได้มันดู ใ, นใกล้นี่มันอยู่ใต้จมูกเราเนะี่ยปากแลาเนี่ยนะสำคัญใจ ให้เกิดทำให้เกิดนรกก็ได้ทำให้เกิดบุญเกิดอุศสก็ได้ทำให้ถึงมรรถึงผลก็ได้งดชั่วเว้นชั่วเว็นบาปเว้นอุศสเว้นความที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเรามาให้เกิดขึ้นที่ปากของเราปากของเราสาคัญต้องแก้ไข เขแก้ไขได้ก็จะไปได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ไปไม่ได้ต้องไปถูกนรกก่อนถูกนรกมันสบายเลยมันสบายว่ะถูกนรกมันสบายเลยสันสนีวานรกเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของสันสีวานรก เท่ากับเก้าล้านปีในมนุษย์วันเดียวคืนเดียวนะแต่ว่าสันชิวานาโลกนี่อายุยืดนานทั้งห้าร้อยปีนรกห้าร้อยปีนรกนี่ก็ลองคิดดูวันหนึ่งคือหนึ่งเก้าล้านปีในมนุษย์ถ้าเราไปจากตกสันชิวานาโกนี่จะกลับมาบอกญาติบอกพี่บอกน้องว่าอย่าทำชั่วเนะออย่าทำบาปนะ บาปมีอยู่จริงเราไปตกนรกวันเดียวกลับมานี่ยจำลูกจำหลานจำบ้านจำช่องไม่ได้แล้วว่าที่ไหนเป็นที่ไหนอะไรเป็นอะไรไม่รู้เลยจำไม่ได้เลยเก่าล้านปีกลับมาไม่เห็นลูกหลานหรอกไม่เห็นญาติเห็นพี่เห็นน้องไม่รู้ใครเป็นใคร เป็นอย่างอื่นไปหมดแล้ะบ้านเรือนของเราก็เราสร้างไว้ก็ไม่รู้มันมันผุบสลายตายแตกไปตายแตกไปตังเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปตกห้ารอยปีในะโลกคุ้มแรกนะนานแสนนานป่านนั้นนะ อาไปต ก, ก็จะสิ้นกรรมสิ้นบาปหมดกรรมหมดบาปจากนรกนะ่ะมันนานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่างตกนรกในคมสุดท้ายคืออเวกีมหาโลกนอเวกีแปลว่าทุกไม่มีระหว่างทุกไม่มีวันจบวันสิ้นทุกติดต่อกันไม่มีพักไม่ีผ่อนเลยอืม โอ้ยไปแล้วก็ทนทุกข์ทนละมานี้นั่นแหละนานเท่านานถึงหนึ่งอันตรกับนานที่สุดน า, สนานแสนนานไม่รู้เมื่อไหร่จะพ้นจากทุกข์นั้นได้ไม่รู้เมื่อไหร่จะหนีจากกองทุกข์นั้นได้ นานแสนนานอันแหละเอาไอ้กีบเอ า, าทุกข์มันมีระหว่างเวลาก็ยาวนานมากนานกว่าพวกนานกว่าสันติวัานารกนานกว่าสันติวัานารกสันติวัานารกว่าน้อยนิดหน่อย ก็ยังเปรียบให้เห็นแล้วเมื่อกี้นี่มันนานนานมากนั่นแหละเราอย่าคิดว่าชีวิตนี่มีแต่ไปสวรรค์กับมนุษย์ตราบใดที่ยังไม่มีมรรคผลนี่โอกาสที่จะไปสวรรค์กับมนุษย์อย่างเดียวนี่ไม่มีทางหรอกถ้ายังไม่ได้มรรคผลนี่ ไม่แน่นอนนะชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะไปในรกหรือไปสวรรค์หรือจะไปเป็นสัตว์เดือดสานเปรตอสุรกายมันกําหนดไม่ได้เลยอเป็นพระรามสามหาขษัตริย์ข้าสัตต์ตัดชีวิตลบลาข้าฟันเป็นบาปเป็นกรรมตายแล้วก็ปไปไหมในโลกเหมือนกันไม่ไปโลกก็เป็นสัตว์เดือดสารมันไปอย่างนั้น มันไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์แล้วเราได้ไปสวรรค์ตลอดมามนุษย์ตลอดบุญก็ทําบาปก็ทําบุญให้ผลก็ไปสวรรค์บาปให้ผลก็ไปสันนิลก็ ม, มันไม่แน่นอนนลเราคิดว่าเราจะได้ไปสวรรค์อย่างเดียวมามนุษย์อย่างเดียวไม่ใช่ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ย ไม่ได้ไปสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้มามนุษย์อย่างเดียวต้องไปไปตามภพภูมิต่างๆท่องเที่ยวเวียน ว, ว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบสิน้นแต่ถ้าตายแล้วไปสวรรค์ลงมาเกิดมนุษย์เกิดชาติอย่างชา้าอนนันเป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติธรรมไป บ, บรรลุเป็นสวสวรรค์ แน่นอนเลยเกิดอย่างชา้าที่สุดเกียตชาติเท่านั้นเองเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกียติชาติไม่หูหนกตาบอดไม่พิกลพิการไม่เป็นคนทุกข์ยากอนาถาพระชุรบันเนี่ยมีบุญมีกุศลมีบารมีถ้าเราเป็ลูกเป็นพระชุรบันนี่เรามาเกิดอย่างชา้าที่สุดเกียตชาติเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นโชคลาภของเราถ้าเรามาปฏิบัตินี่เราได้มากคนก็ถือว่าเรามีโชคดีถ้าได้สกิทาคามีก็ยังดีขึ้นไปกว่าชวราบันอีกถ้าได้อนาคามีก็ดีกว่าชวราบันดีกว่าสกิทาคามีอีกถ้าสูงกว่านั้นได้สําเร็จเป็นพระราหารันเราก็โปหมดทุกเลย สบายเลยวันนี้จะบอกไม่ใช่ว่าสบายแล้วนอนอยู่เฉยๆนะไม่ใช่อ๋อสบายที่จะต้องไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในวริตะสงสารภูมิใดภูมิหนึ่งอีกไปโลคุตรภูมิอย่างเดียวนัภูมเิเหนือโลกเหนือโลกอันไหนอ่ะเหนือโลกคือความแก่ความเกลียดความตายนะนี่แหละเหนือโลกอันนี้แหละ ตายชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายได้ได้เป็นพระอรหันต์แล้วนะตายชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติที่ไม่ต้องมากับทุกอีกไม่มีชาติที่สองที่สามที่สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดถ้าสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายเลยเป็นภพสุดท้าย นี่แหละภพนี้เป็นภพสุดท้ายของเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราถ้าเราได้เป็นพระลรหันแล้วผู้ปฏิบัติก็จะเห็นเองว่าเราเป็นพระละหันหรือยอย่างพระละหันท่านก็ปล่อยวางปล่อยวางได้ทั้งหมดทั้งสิ้น จิดใจไม่ยึดติดในสิ่งไหนพระอหันต์ั่นเป็นอย่างนั้นมันวางหมดวางความยึดมั่นถือมั่นวางความสําคัญมั่นหมายวางตัววางตนวางทุกสิ่งทุกอย่างละได้มดไม่ติดไม่ยึดไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่เห็นความสําคัญยะ ของการเกิดแก่เก็บตายอีกเห็นแล้วเสพพ้นแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับมาเกิดอีกแล้วกิเลสหมดไปจากใจอาสวะคือกิเลสนอนเนื่องในสันดานหมดหม ด, หมดเลยไม่เหลือเลยอ่นะไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีชาลิสยาไม่มีความสำคัญมั่นหมาย ในตัวในตนมีตตวความปล่อยวางท่านปล่อยวางได้หมดละได้หมดบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยเราไม่อยากเป็นพระอรหันต์หรอกกลัวจะไม่มีความสุขในโลกมนุษย์นี้อันนั้นก็ยังไม่เข้าใจเลยยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่า การที่ได้บรรู้มากคดนั่นมันดีวิเศษขนาดไหนเก็ต้องทําให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาในใจของเราก่อนเราถึงจะรู้ถ้ายังไม่บรรลุเราอธิบายให้ฟังก็เข้าใจตามตำราแต่ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าผู้ปฏิบัติในมันเห็นตามความเป็นจริงว่าเราละได้แค่ไหนสังโยชตสิบนี่เราละได้หมดไหม อวิชามันออกจากใจเราได้หรือยังวันไหนที่เอาอาวิชาออกได้จากใจนั่นแหละวันนั้นะเรียกว่าวันที่เราควรจำจาหรือก็เป็นวันที่เราได้พ้นจากความทุกข์แล้วอวิชาไม่มีในใจมีแต่วิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ เห็นชัดในอริยสัจทั้งสี่เห็นทุกเห็นเหตุเกิดทุกคือตัณหาเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้อปฏิบัติก็คือมรรคแปดนั่นแหละมรรคแปดนั่นแหละหลักปฏิบัติสําหรับหนีจากทุกเนี่ยชีวิตของเราดําเนินตามนั้นสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรนั่น เห็นความเกิดความแก่ความตายความโศกเศร้าเสียใจนั่นอันนี้นว่าเห็นเห็นชัดเห็นชัดเนี่ยเป็นสมาธิติดอสมาสังกปรดัมลีดำลีชอบดำลรียังไงดำลีไม่พยาบาทดำลีไม่เียดเบียนดัมรีล ในทางที่พ้นจากทุกข์นะี่แหละดำริชอบคือคิดชอบพูดนง่ายดาริออกจากกามดาริไม่พยาบาทดำริไม่เบียดเบียนนะี่แหละความคิดของเราให้อยุดในวงอนี้ไม่พยาบาทคิดออกจากกามดาริออกจากกาม ดำรีไม่พยาบาทดำรีไม่เวยดเบียนคิดอะไรก็ตามให้ใหอยู่ในวงจำกัดแค่เนี้ไม่ให้มันคิดนอกไปกว่า น, นี้ความคิดของเรานี่นะสมาวาจารจาชอบไม่ดา่าไม่ว่าไม่พูดชั่วไม่คิดไม่พูดหยาบพูดคาหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดเลวไหล ไม่โกหกหลอกลวงไม่ต้มตุ๋นไข่พูดแต่วาจาที่ชอบวาจาที่เป็นสมาธิทิเป็นวาจาที่ถูกทางสมารกรัมตะการงานชอบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ไม่ขาสัตว์รักทรัพย์กับพฤติมิตรสารจาเป็นการงานชอบแล้วเลี้ยงชีพชอบคือเลี้ยงชีพโดยไม่ให้มันผิดศีลผิดธรรมให้อยู่ในคลองของธรรมะไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตหากินตามมีตามได้ ไม่คดไม่โกไม่ช่วราดบางหลวงไม่ปนกีตีค่าไม่หาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดตั้งอยู่ในสิ้นในธรรมตลอดนี่สัมมาวายามะพยายามชอบพยายามละความชั่วไปจากใจพยายามไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้น พยายามรักษาความดีไว้ทางกายทางวาิจาทางใจนี่ให้มีแต่ความดีอยู่ตลอดสัมมาสติตั้งสติชอบคือระลึกชอบมันเองระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมให้ ล, ลึกอยู่เพียงตอนนี้ระลึกชอบนะ ลึกชอบในกายลึกชอบในเวทนาลึกชอบในสัญญาลึกชอบในสังขารในวิญญาณหรือ่าลึกในสี่ประทานสี่เช่นและลึกในกายลึกชอบนะเห็นกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้า ต, ตาลึกชอบ เห็นกายเห็นกายของเรานี่แหละตัวตนของเรานี่แหละร่างกายของเราเนี่แหละให้เราเห็นเช่นเห็นลมหายใจเข้าออกก็เห็นก็ชื่อว่าเห็นกายเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่เราเห็นกายเห็นเวทนาคืออาการที่มันกระทบอยู่แล้วก็เห็นเวทนานี้ก็ถืออีก เห็นกิตก็คือเห็นใจของเราพราใจเราตั้งเที่ยงตั้งมันหรือใจเราพุ่งสร้างเราก็รู응้เห็นธรรมคือสภาวะธรรมทั้งปวงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปนี่เราก็เห็นธรรมเห็นชัดเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้มันต้องดับได้응 ดูแต่การนั่งเราไปมันเกิดทุกข์ทรมานเจ็บปวดน่าดูเลยหนอยหนึงเราเปลี่ยนท่าขาหรือว่าเดินไปข้างนอกมันหายแหละนั่นแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นเวทนาเห็นจริยาเห็นสังขารเห็นนิญญาณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกเป็นธรรมหมดอืมนั่นะ กายเวทนาจิตรำ ม, มีสติเห็นอยู่เท่านี้สมาสมาธิตั้งสมาธิตั้งใจมั่นชอบตั้งใจมั่นชอบก็คือจิตเป็นสมาธินั่นเองตั้งสมาธิมั่นชอบคือเห็นสมาธินั่นแหละ มองเห็นรู้อยู่ในใจว่าจิตของเราสงบหรือไม่สงบถ้าจิตสงบเราก็รู้จิตไม่สงบเราก็รู้ก็ทำให้มันสงบหาอุบายให้มันสงบฌานที่หนึ่งสองสามสี่ก็เกิดขึ้นมาเกิดฌานเกิดอภินยาขึ้นก็คอยชาระกิเลสไปทีนิดละหน่อย ในที่สุก็หมดสิ้นไปจากขันสันดานไม่มีกิเลสอีกเลยบรรลุแล้วก็ไม่กลับกําเริบอีกว่าใดพระนิพพานเป็นที่หมายนี่แหละให้ทางแกปฏิบัติอย่าท้อถอยเพราะเราได้โอกาสดีแล้วกว่าจะได้มาไม่ใช่ว่ามาได้ง่ายๆ มาแล้วเราได้เห็นทุกเห็นทุกชัดเจนเห็นธรรมเห็นทุกคือเห็นธรรมคือเห็นความเมียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่แหละเห็นความไม่เที่ยงแต่แน่นอนเห็นทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกก็คือมักแปดพูดง่ายๆว่าทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุก คนทุกคนโทษผลกรรมผลเบญผลบาปอากุศลทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมท่นานพระองคุลิมานท่านฆ่าคนได้มากแต่กิจของท่านบรรลุเป็นพระหันแล้วกรรมที่ทำไว้ก็ไม่ให้ผลจะมีบ้างกเษกษตรกรรมเล็กเล็กน้อยๆท่านเองไปบินทบาทในหมู่บ้านเขาคว่างไม้คว่างไล่นกไล่กา ไม้เ่านั้นค้อนเรานั้นก็ตกมาถูกหัวเราเลือดไหลออกก็เพียงเท่านี้หละไม่ได้ไปใช้ ร, รมในมหานรกเลยนั่นไอ้เร่งงั้นถ้าเราปฏิบัติ ท, ทาได้มันต้องหนีทุกได้ปฏิบัติ ท, ทาให้มันเป็นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นหลบหายใจไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่ที่ตัวของเราเราฝึกอยู่นี่เราฝึกสัมมาสมาธิฝึกตั้งใจมั่นชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบเราทำไปเพียงเท่านี้จิตของเราก็จะสงบเป็นสมาธิมีมรรคมีผลเกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาเห็นจริงแก้พจกในอริยสัจธรรมตั้งสี่ เราก็นี้จะ ก, กองทุกได้จริงๆในชาติปัจจุบันนี้เกิดมาแล้วในชาตินี้จะให้มันเสียผลที่ควรจะได้จะถึงเพราะโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นคนมันยากแสนยากนานแสนนานกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์นานแสนนานกว่าจะได้พบพระพุทธศาสนานานนานมากจริงๆกว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง นี่เราพอหมดทุกอย่างเราเห็นนะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ้นธรรมความดีหลักคํามคำสอนอะไรต่า ง, างๆก็ยังมีสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่โลกนี้จะถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรยมรโยงแปดอยู่โลกนี้ก็ไม่ว่างจากพาระราหันเลยนั่นพระรหันก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติให้ถึงเป็นพระรหันก็ยังมีอยู่ มันอย่างเราเห็นอยู่ในขนาดนี้แหลสมาธิของเราก็มีอยู่การเห็นโทษของความเกิดก็มีอยู่การเห็นโทษของความแก่ก็มีอยู่การเห็นโทษของความตายก็มีอยู่อยู่ในใจของเราเราเห็นอยู่รู้อยู่เราสามารถหนีจากกองทุกได้เราก็เล่งความภาความเหียนตั้งใจปฏิบัติจะปฏิบัติโดยเฉพาะที่วัดกลับไปแล้วต้องปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ให้เกิดมากเกิดผลเกิดคุณธรรมขึ้นมาในตัวของเราจริงๆที่ใดไปแล้วก็ให้มันงอกงองอกงามไพบู์ให้มันสูงส่งขึ้นไปเรื่อยเราจะตกต่ำได้ยังไงเราก็มีแต่ไปสู่ไปสู่สุขติสวรรค์พร ม, มโลกนิพพานอะไรอีกนั่นแหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยอย่าท้อยอย่าถอยอย่าคิดว่าโอ้ยเรากลับดีกว่าเราทำไม่เป็นอย่าไปคิดอย่างนั้น เรากลับไปไหนใจของเราก็เศร้าหมองอยู่ไปมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเราก็พยายามทํำสิตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกหัดตามมาัสมีองแปดนี่แหละก็จะได้ถึงความพ้นทุกข์สมความมูมา่านปรารถนาที่เราตั้งใจมาเราเสียสละเวลามาก็จะเป็นโอกาสดีของเราอย่างน้อยให้เราได้เป็นพระโชตราบันก็ยังดี นี่ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ที่เรามาเพียงสามวันยังอีกอยู่สี่วันก็จบการปฏิบัติแล้วขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้สามารถบรรลุมรคนขึ้นมาในตัวของเราถ้าบรรลุมรคนแล้วก็ถือว่าใช้ได้พอไปได้ผ่านไปได้ถ้าเรายังไม่บรรลุมรคนก็พยายามทํายังมีเวลาเหลืออยู่ ตั้งใจทำให้มันแน่วแน่ขึ้นไปให้มันละเอียดขึ้นไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆว่าธรรมะก็ยังมีอยู่เพราะการปฏิบัติธรรมะของเราก็ยังมีอยู่ทำไมมันจะทำไม่ได้มันต้องได้บุญกุศลก็ทำมาด้วยกันทุกคนนั่นแหละความดีความงามอะไรต่างๆเราก็ทำมาแล้วทั้งนั้นถ้าไม่ทำมาเขาไม่ได้เกิดเป็นคนเนี่ยบุญกุศลไม่ถึงควาเป็นคนก็ไม่ได้่าเกิดเป็นคน อันนเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องพยายามทําความดีนี้ให้ถึงเป้าถึงหมายถึงที่สุดของทุกข์ให้ได้ทางคนทุกข์หนีทุกข์หนีวัตฏสงสารหนีการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าตลอดไปให้ยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่าถอยหลังอย่าถอยกลับ ต้องเอาให้ได้ได้แล้วกลับไปก็ต้องทำอีกทำต่อทำให้มันชำนิชำนานนี่อย่างนี้แหละความสุขจะเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป